สัตธรรมปฏิรูปรสูตรว่าด้วยพระสัตธรรมกำลังเสื่อมไปพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะวัดพระเชตวันครั้งนั้นท่านพระมหากัสจปะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บัดนี้สิกขาบทมีมากศีลของพระแต่ผู้บรรลุอรหัตตะผลมีน้อยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าดูก่อนกัดสปะข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อหมู่สัตว์เลวลงพระสัตว์ธรรมกำลังเสื่อมหายไปสิกขาบทมีมากขึ้น พิสุที่บรรลุพระอรหัตตผลจึงมีน้อยสัจธรรมปฏิรูปสัจธรรมปลอมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัจธรรมรมแท้ก็ยังไม่เรือนหายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันนั้น สัตธรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโรคตาบใดตาบนั้นพระสัตธรรมก็ยังไม่เรือนหายไปเมื่อสัตยธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัตธรรมจึงเรือนหายไปดูก่อนกัดสปะธาตุดินยังพระสัตธรรมให้เรือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ํา ธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัตธรรมให้เรียนหายไปไม่ได้ที่แท้โมคาบุรุษคนพานในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาจะทำให้พระสัตธรรมเรียนหายไปเปรียบเหมือนเรืออับปางก็เพราะต้นหนกับตันเท่านั้นพระสัตธรรมยังไม่เรียนหายไปด้วยประการชนี้ พระพุทธพจน์อาธิสีรังปฏิทถาจะกาลยานานันจะมาตุกังปะมุขังสัพพธรรมมานังตัดสมาสีรังวิโสทะเยศีนเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายและเป็นประธาน แห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์พระพุทธภาษิตพระพุทธองค์ทรงประกาศการประพฤติพรหมจรรย์ของพระองค์ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อล่อรวงประชาชนหามิได้เพื่อเกีย้ยกล่อม ประชาชนก็หามิได้เพื่ออนิสงค์คือราบสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้เพื่ออนิสงค์คือการอวดอ้างวาทะก็หามิได้โดยที่แท้ตถาคตอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อสังวรเพื่อละเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับกิเลส วัตถุประสงค์ในการประพฤติพรหมจรรย์ดูก่อนพราหมณ์พรหมจรรย์ น, นี้ไม่ใช่มีราบสักการะและความสรรเสริญเป็นอานิสง์ไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสงไม่ใช่มีความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสง์มิใช่มียาณทัศนะเป็นอานิสง์ พมจันนี้มีเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบเป็นประโยชน์เป็นแก่นเป็นที่สุดกุโสถาทุกขหิตโตหัตถะเมวานุ ก, กันตติสามัญยังทุกป ร, รามัดถังนิรยายูปกัดถติยางกินจิ สิธิรังกัมมังสังกิริธันจะยังวะตังสังกัดสรังพระมะจริยังนตังโหติมหับภรังกะยิราเจกะยิราเถนังทันหะเมนังปรักกเมสิธิโรหิปริฏพาโชพินโยอากิระเตระชัง ย่าคาที่บุคคลจักไม่ดีย่อมตามบาดมือนั่นเองฉันใดคุณเครื่องความเป็นสมณะที่บุคคลรูปคำไม่ดีย่อมคร่าเขาไปนรกฉันนั้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ย่อหย่อนวัดใดที่เศร้าหมองพรหมจันทร์ที่ระลึก ด, ด้วยความรังเกียจ กรรมทั้งสามอย่างนั้นย่อมไม่มีผลมากหากว่าบุคคลพึงทำกรรมใดควรทำกรรมนั้นให้จริงควรบากบัน่นทำกรรมนั้นให้มั่นเพราะว่าสมณธรรมเครื่องระเว้นที่ย่อหย่อนยิ่งเกียรทุลีรง